2.20 หลวงปู่เทศสอนว่าให้ลองนึกดูว่าเราเคยมีความสุขตอนไหนวงเล็บเปิด29เมษายน2550จุดจุดนาที40วงเล็บปิดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นศาสตร์ที่น่าอัศาจรรย์ที่สุดเลยนะสามารถมีชีวิตอย่างที่คิดไม่ถึงจริงๆความสุขอย่างโลกโลกที่เราคิดว่าดีคิดว่าวิเศษที่สุดคือตอนไหนลองทบทวนดูสิ หลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะให้ลองนึกดูสิว่าตอนที่อยู่ในโลกที่ว่ามีความสุขที่สุดนะ่ะตอนไหนเรานึกแทบตายนึกไม่ค่อยออกนะว่ามันมีความสุขตรงไหนรู้สึกว่าถึงมันมีความสุขจริงมันก็ผ่านไปแล้วดูแล้วเหมือนภาพลวงตาเหมือนเราฝันไปชั่วครั้งชั่วคราวเองจิตที่เข้าถึงธรรมแล้วมีแต่ความสุขนะมันเทียบกันไม่ได้เลยมีความสุขอยู่ในตัวเราเองความสุขนี้มันล้นออกมานะใครเข้าใกล้ก็มีความสุขไปด้วย เคยรู้สึกไหมบางคนเราเข้าใกล้เรามีความทุกข์บางคนเราเข้าใกล้เ ร, ก เ, ร เ, กลเราจะอึดอัดเลยเพราะจิตใจเขายังมีโทษมีภัยอยู่ดังนั้นเราภาวนาตัวเองก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดสุดท้ายนี่มีบร ม, มสุขท่านถึงบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดนิพพานังปรมังสุขขังปิดเครื่องหมายคำพูดคือนิพพานเป็นบร ม, มสุข นิพพานไม่ใช่ว่างเปล่าหรือแห้งแล้งกันดารนะมันมีความสุขที่สุดเลยแค่เราหัดภาวนาเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับอยู่แล้วอย่างคนที่ไม่เคยมีสติพอมีสติจะมีความสุขนะคนที่ไม่มีสัมมาสมาธิพอมีสัมมาสมาธิจะมีความสุขคนที่ไม่เคยรู้ความจริงของรูปนามกายใจพอรู้ความจริงมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขอีกคนที่ไม่เคยเข้าถึงวิมุตติความปล่อยวางความหลุดพ้นพอปล่อยได้ก็จะรู้สึกถึงความสุขอีก มันมีความสุขเป็นชั้นๆชั้ น, นขึ้นไปนะความสุขมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์ห่างหายไปมากขึ้นมากขึ้นเรียนรู้ทุกแล้วมันก็ได้ความสุขมากขึ้นมากขึ้นปล่อยวางทุกข์คือกายกับใจได้แล้วมันมีความสุขที่สุดเลยนี่เป็นศาสตร์หนึ่งนะเป็นศาสตร์ที่บอกว่าวัตถุประสงค์ของศาสตร์นี้คืออะไรวัตถุประสงค์ของศาสตร์นี้ก็คือความพ้นทุกข์บอกวิธีการที่จะพ้นทุกข์โดยให้รู้กายให้รู้ใจอย่างมีสติรู้สภาวะธรรมที่กําลังปรากฏ มีสัมมาสมาธิคือใจนั้นตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ถลำลงไปรู้ไม่ถลำลงไปเห็นจนเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพอมีปัญญาแล้วถึงจะปล่อยวางได้เพราะรู้แล้วว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วน ฉะนั้นการที่เราเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งมันจะปล่อยวางการยึดถือกายยึดถือใจไปได้ถ้าเรายังเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะยังปล่อยไม่ได้แต่เราจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆพอปัญญาแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจแล้วเราจะพบความสุขที่อศัศจรรย์ที่สุดมันเต็มเปี่ยมเลยนะมีความสุขล้วนๆเลยเป็นเรื่องแปลกจริงๆ คนในโลกต้องการความสุขนะวิธีการต้องการความสุขของเขาก็คือวิ่งหนีความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วิ่งหนีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ทุกอยู่ที่กายรู้ในกายทุกอยู่ในใจรู้ในใจวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกลับมีความสุขแปลกนะกลับข้างกับโลกเขาโลกเขามีแต่เกลียดกลัวทุกข์ไม่อยากเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ทุกข์ทุกอยู่ที่ไหนให้รู้มันไปเลยไปเรียนรู้ความจริงของมัน ผลที่ได้ก็ต่างกันพวกที่วิ่งหนีทุกขก็คือหนีไปทั้งชาตินั่นแหละวิ่งหาความสุขก็หาไปทั้งชาตินั่นแหละจนชาตินี้ก็ไม่พอหานะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าคิดว่าตายแล้วจะพ้นทุกข์แต่คนที่รู้ทุกข์นี่สิกลับพ้นทุกข์ได้พ้นจริงๆนะพ้นจริงๆเป็นสาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยฟื้นความรู้สึกโดยความรู้สึกของคนทั่วไปคือถ้าไม่เห็นทุกข์ได้จะดีเพราะฉะนั้นคนในโลกชอบหนี